สามจุดเจ็ดมีสติอยู่กับปัจจุบันวงเล็บเปิดสาสิบพฤศจิกายนสองพัห้าห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสองวงเล็บปิดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆเมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วอนาคตไม่น่ากลัวอะไรอย่างคนที่หัดเจริญสติถึงไม่ได้มักผลอะไรไปเกิดใหม่เวลาที่จิตไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรง เช่นมันตกใจแรงๆอะไรอย่างนี้สติจะเกิดขึ้นเองมันจะกลับมาอีกการปฏิบัติเดิมๆหรือพอเราไปหาเจริญสตินะเราจะรู้ตัวได้เร็วภาวนาได้รวดเร็วพอภาวนาพอจิตตืน่นเราก็จะนึกขึ้นได้ว่าภาวะอย่างนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเกิดมาแล้วรู้จักดีเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่จาเป็นว่าจะต้องจบชาติเดียวถึงไม่จบก็เอาไปต่อได้ไม่เหมือนการเรียนภาคปริยัติของที่เคยฝึก เราเคยฝึกสติอยู่เรื่อยๆต่อไปพอเราได้ยินธรรมะเราจะไปลิ้วเลยไปได้ง่ายคนที่ภาวนาง่ายๆในชาตินี้ล้วนแต่ยากมาแล้วทั้งนั้นแหละให้ยากสุดๆมาแล้วชาตินี้ง่ายสุดๆไปเลยอย่างพระพาหิยะพระพาหิยะได้เร็วมากชาติก่อนจะเป็นพระพาหิยะภาวนาจนตัวตายไม่ได้อะไรเลยแต่ไม่เลิกเพราะฉะนั้นพวกเรามีหน้าที่จเจริญสตินะเอาปัจจุบันอย่าไปห่วงอนาคตเลยเอาปัจจุบัน ถ้ามัวแต่หวงอนาคตละทิ้งปัจจุบันอนาคตต้องไปไม่ดีแน่นอนเลยเพราะทำเหตุไม่ดีเสียแล้วการภาวนาก็ทํากันข้ามภพข้ามชาติกว่าเราจะมาถึงตรงนี้เราทำมาหลายชาติแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกฝนมาเราไม่ตื่นหรอกไม่ใช่ว่าชาติเดียวตื่นนะคนที่ภาวนาแล้วเร็วที่สุดเลยในพระไตรปิฎกมีอยู่คนหนึ่งแต่ท่านไม่มีชื่อนะเป็นพระองค์หนึ่งท่านหัดภาวนาครั้งแรกในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระกัสปะ ท่านใช้เวลาเพียงพุทธันดอนเดียวมาจบในสมัยพระโคดมนี้นี่ใช้เวลาน้อยมากเลยใช้เวลาไม่มากใช้เวลานิดเดียว